b d h a m sarin, gaccha. b u d h a m sarin, gaccha. Buddham sarin, gaccha. Dhammam s a r a n gaccha. ท่านผู้ฟังที่เคารพค ร, รับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ประหลัดสมทบพระกโมวัดกลางอเอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องพรมชาณสูตรทำการบรรยายครั้งที่สองขอเชิญท่านัังได้นำบัดนี้ครับ ประโยชน์เนี่ยเหมือนเหมือนโคนมหลังน้ํานมใชนั้นประการที่5ก็ป้องกันอย่างดีมันจะกมาสุดตานารักษาประโยชน์เหล่านั้นไว้ไม่ให้ตกไปจากประโยชน์เหล่านั้นประการที่6ก็คือว่ามีส่วนเสมอด้วยสายบรรทัดสุตตะสภาคโตท่านอุปมาว่าสายบรนทัดนั้นเป็นเครื่องกําหนดของช่างไม้ชั้นใดพระสูตรนี้ก็เป็นเครื่องกําหนดธรรมะของวินยูชนฉะนั้นหรือว่าเหมือนกับ ดอกไม้ทั้งหลายที่ร้อยไว้ดีแล้วด้วยเส้นได้ก็ไม่เรียลายไม่กระจัดไม่กระจายด้วยแรงลมชั้นใดประโยชน์ทั้งหลายที่รวมร้อยเรียงไว้ในพสูตนี้ก็มีอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่เรียลายไม่กระจัดกระจายฉช น, นั้นนี่ก็เป็นอย่างนั้นและในพสูตนี้ที่เราศึกษากันก็คือว่าในทีคณิกายนี้นะก็แปลว่าหมู่ที่อยู่ของพสูตที่มีความยาวมีขนาดยาวดังนี้เป็นต้นทีนี้ก็คือว่าศึกษาต่อจากครั้งที่แล้ว ครั้งที่แล้วพูดในส่วนของอัตถกถาใจความเริ่มต้นก็นคือที่กล่าวในเรื่องของพระสูตรเนี่ยที่ว่าความเป็นมาลักษณะเฉพาะเป็นต้นเหล่านี้ในทีคณิกา์เนี่ยศี่ละขันธวักเนี่ยในในพระสูตรเนี่ยกล่าวคําสอนเขาไว้ในครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของอัตถกถาอัตถกถาในสุมังคราเวลาเินียดาคกถาอัตถกถาทีคณิากายศี่ละขันธวัก ที่ว่ า, าพูดถึงตอนที่ว่าเริ่มจะทําปฐมสังคายนาที่บอกว่าการปฐมสังคายนานั้นเริ่มวันแรมห้าข้ามเดือนเก้าหลังจากที่พุทธเจ้าเสด็จดับขันธบริณิพานแล้วเนี่ยนั่นแหละเพราะในสมัยนั้นน่ะที่บอกว่ามีวัดอยู่สิวัดล้อมรอบกรุงราชคลือวัดเหล่านั้นก็มีอยากเยื่อถูกทิ้งเรื่อราดไปทั้งนั้นเพราะในเวลาที่เสด็จดับขันธบริณีพานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ภิกษุทั้งหมดต่างก็ถือบาทจีวรของตนของต น, งตนทิ้งวัดแล้วก็ทิ้งบริเวณเหล่านั้นไปหมดเลยกลายเป็นวัดล้างออกจากกรุงราชครือไปก็ไปที่กรุงกุสินาราใช่ไหมทุกคนไม่อยู่ไม่ห่วงวัดแล้วต้องการจักไปเฝ้าพระพุทมีพระภาคครั้งนั้นน่ะพอกลับมาเนี่ยพระเทระทั้งหลายเมื่อจะทำข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิสังขรณ์วัดเนี่ยก็คิดบอกว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยต้องทา การปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดสุดโสมตลอดเดือนต้นพรรษาคือในพรรษาเนี่ยมีสมเดือนในเดือนต้นของพรรษาเนี่ยเออต้องทําบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามเพื่อบูชาคําสอนของพระผู้มีพระภาคและเพื่อเปลื้องคําติีเตียนของพวกเดรัจิท่านกรรมการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวารามเนี่ยในสมัยก่อนท่านตั้งไว้สองประเด็น การกวาดก็ดีการบูรณะการซ่อมแซมเป็นต้นก็ดีนี่เป็นการบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกบบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อวัดชารุดสุโสมหรือสถานที่อยู่เป็นต้นเหล่านี้พระก็ต้องซ่อมแซมต้องบูรณะต้องปฏิสังขรณ์เป็นต้นเท่าที่จะทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็อะไรที่ไม่ขัด กพระวินัยก็ทําแต่มันจะขัดกับพระวินัยก็ขอความขอขอความจากอขอขอให้คารวาสเป็นผู้จัดการนั้นประการหนึ่งสันนิบานการหนึ่งเพื่อเปลืองคําตีเตียนกับพวกเดลถีเพราะพวกเดลถีก็จะกล่าวตีเตียนบอกว่าสาวกของพระสมณะโคดมบํารุงวัดวารามแต่เฉพาะพระศาสาศดายังมีผระชนอยู่เท่านั้นเมื่อพระ อ, องค์เสด็จดับขันธบริิพันแล้วก็พากันทอดทิ้งเสียเนี่ยกลัวกลัวเขาจะตําหนิอย่างนี้ใช่ไหม กลัพวกภัยและละทิจะทำหนิ้ังนั้นการบริจาคทรัพย์เป็นจํานวนมากของตระกูลทั้งหลายก็จะเสียหายไปในทํานองนี้ก็แปลว่าเออญาติโยมเนี่ยเขาเขาบริจาคทรัพย์สร้างวัดวารามแต่พระเนี่ยกลับไม่ดูแลปล่อยทิ้งรกล้างเดี๋ยวนี้ไม่เย้พวกเดรัจฉิทำหนิพระเนี่ยนี่คำว่าทั่วไปบางทีตําหนิ้พระว่านี้ทําอะไรกันใช่ไหมปล่อยวัดวารามรกลา้างยังก็ไม่มีคนอยู่งี้ ในอนาคตเนี่ยจะเห็นเยอะไม่ใช่อนาคตแล้ปัจจุบันลงไปตามที่ต่างๆตอนนี้พระไม่ค่อยมีก็ดูแลกันไม่ไหวบางวัดก็มีแต่หลวงตาอยู่องค์เดียวอย่งี้ยมันก่อนมีมีคนก็มาเล่าบางก็บอกเป็นนี่พระไปอย่างที่เนี่ยเป็นยาวาอยู่ทางพิโลกเป็นเสร็จก็ไปอยู่ไม่ไหวทําไม่ไหวนาเข้าเนเข้าไม่ใช่จะพะกุฏิรอบนอกแล้วกุฏิที่อยู่พระก็จะไปพักด้วยไอ้ฝนก็ตก พอฝนตกมาก็รั่วพอรั่วมาก็โห่ป้าเพื่อนี่ทะลุมาไม่ใช่ทะลุอย่างเดียวขี้นกพิราบไหลมาท่านก็นอนท่านก็อยู่ตรงนั้นเลยไม่รู้จะไปหนีไปตรงไหนเมือนพักที่จะไปพักด้วยโห่พักก็ไม่ได้ต้องลงมาพักในรถโอ้โหไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยทํากันไม่ไหวทีนี้ ก็มีคําอธิบายว่าพระเถระทั้งหลายคิดกันก็เพื่อจะเปลื่องคําตีเตียนของพวกเดรธีนั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ได้ข้อตกลงเมื่อได้ข้อตกลงแล้วเนี่ยภิกษุชั้นพระเถระทั้งหลายก็ปรึกษากันว่าดูก่อนท่านภูมิอายุทั้งหลายพระผู้มีภระเจ้าเนี่ยสริมเสริญการปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชําระสุดโทมบัดนี้เราทั้งหลายจงปฏิสังขรณเสนาสนะที่ชําระสุดโทมตลอดเดือนต้นนะคือเดือนต้นของภาษาคือเดือนแรกเนี่ย แล้วจากประชุมสังคายนาพระธรรมวินัยในเดือนกลางของพรรษาคือเริ่มตั้งแต่เดือนที่สองเป็นต้นไปก็เริ่มจะทำประถมประชุมสังคายนาพระธรรมวินัยทีนี้พอในวันที่สองพระเถหลาเหล่านั้นก็ไปยืนที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอชาติศัตรูก็เสด็จมานมัสการก็มีพระตํารัสถามถึงจิตที่พระองค์พระธรรมบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมาทูลอะไรเจ้าข้าก็ถามอย่างเงี้ยนะ พระเทเรทั้งหลายถวายพระพรในทรงทราบถึงงานฝีมือเพื่อประโยชน์ในการปฏิสังขรณ์วัดใหญ่สิบวัดในกรุงราชคลีปัจจุบันนี้หาไม่เจอแล้วมั้งในกรุงราชคลีปขนาดวัดเวโรวันเนี่ยนะวัดเวโรวันเนี่ยไปเหลวือแต่ป่าก็ดียังมีก็สร้างพระพุทธรูปเข้าไว้ให้เป็นที่สักการาบูชาไปที่ตรงนั้นก็ไปกราบเป็นน้มาสการไปบูชากันก็ที่ตรงนั้ น, นพระละหันนี่ก็อยู่กันเป็นจํานวนหมืน่น แล้วก็เป็นสถานที่บริเวณที่ทํำปฐมสังขยาด้วยนะในกรุงราชคลื่เหล่านั้นฉะนั้นในยุคก่อนหนะ้านั้นเมื่อสองพันกว่าปีนี่เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองค่อนข้างมากทีนี่ว่าพระเทลัก็ปฏิสังขรณ์วัดทั้งหมดตลอดเดือนต้นนะตลอดเดือนต้นนะแล้วก็พระเจ้าชา้าตูว ด, ดังบทดีแล้วเจ้าข่าพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่ต้องหนักใจนิมนต์ทำเถิดฝ่ายอาณาจักร ขอให้เป็นหน้าที่ของโยมส่วนฝ่ายธรรมจักเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของพระคุณเจ้าทั้งหลายยอมจะต้องทําอะไรบ้างโปรดสั่งมาคือพระเจ้าชัดตูก็บอกพระเทเรซทั้งหลายก็ถวายพระพรว่าถววถวายพระพรมห า, าพิทขอพระองค์ได้โปรดทําที่นั่งประชุมสําหรับภิกษุผู้ทําสังกายนะหวังจะทําที่ไหนก็ก็ทําใกล้ประตูตถ้าสัตจบันขางภูเขาเวพาเว ภูเขาเวพาละในกรุงราชเครือเนี h, ่ยก็จะมีภูเขาห้าลูกใช่ไหมเขาเรียกเบนจักคิรีเบนจักคิรีนครคือนครที่มีภูเขาห้าลูกมีอะไรบ้างห้าลูกนะเวพาละเวปุลละอิสิกิรีคิชกูดอะไรอย่างเงี้ยเวพาละเวปุลละแล้วก็อิศิกิรีแล้วก็คิชกูดมีอีกรูปจำไม่ได้แล้ว มีอยู่หลูกพระเจ้าชาติศูนมีพระราชกระแสว่าเหมาะดีเจ้าข้าแล้วก็โปรดให้สร้างมนดปมีเครื่องประดับวิเศษที่น่าชมส่วนทรงสันฐานเช่นอาคารวิษณุกรมเทพบุตรเนลมิตรไว้มีฝาเสาและบันไดจัดแบ่งไว้เป็นอย่างดีมีความงามวิจิตไปด้วยมาลากรรมและก็ระดากรรมนานาชนิดพิษประหนึ่งบอกว่าจะครอบความงามแห่งตำหนักของพระราชางามสง่าเหมือนจะเย้ยหยันความงามแห่งเทพวิมานว่าไง ปานปนหนึ่งว่าเป็นสถานที่รวมอยู่ของโชควาสนาลากว่าที่ที่รวมของหมู่ฝูงวิหกคือเขาสร้างงามมากในคือในานาแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียงดังภาพที่งามตาเรื่อนรมในโลกล้วนประมวลไว้ในที่เดียวกันนิธทเพดานนะนะมีเพดานงามยวนตาเหมือนจะคลายออกซึ่งพวงดอกไม้ชนิดต่างๆและมีไข่มุกห้อยอยู่ ดูประหนึ่งพื้นระดับซึ่งปรับด้วยทัพทิมวิจิตไปด้วยรัตนะต่างๆมีแท่นที่สำเร็จเรียบร้อยดีด้วยดอกไม้บูชานาน า, นาชนิดประดับให้วิจิตละไม้ค้ายพ่มาณของพรมคือคือคำสอนของพระเจ้าเคยกล่าวความงามของในเทพในเทวดาไว้ในพรมไว้เป็นต้นเหล่านี้เขาก็จำลองมาทำกันน ะ, ะในประเทศไทยเนะี่ยพอ ศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาก็จะเอาชื่อมาตั้งแล้วก็พยายามจะทําความงามให้ได้อย่างนั้นนะอันนี้ก็คือประการต่อมาก็คือว่าประดับด้วยวิจิตโปรดให้ปูราดอาสนะเป็นกัปปิยะกัปปิยะในสิ่งที่ควรเนี่ยนะนะอาสนะที่ควรกับพระจะนั่งได้เนะี500่ยห้าร้อยที่ที่มีค่านับไม่ได้ขณะอาสนะสําหรับพระที่จะนั่งนั้นก็ประดับอย่างดีแต่ว่าก็ดูด้วยนะว่าเป็นควรควรแก่สมณะไหม ในมหาบุญดบน้ําสําหรับภิกษุห้าร้อยรูปให้ปูราที่นั่งพระเถระหันหน้าทางทิศเหนือหันหลังไปทางทิศใต้ตให้ปูราที่นั่งแสดงธรรมอันควรแก่การประทับนั่งของพระพุทธรูปผู้มีพุทธเจ้าผู้มีบุญแต่ว่าในที่ตรงนั้นยังทําอาสนะถวายพุทธเจ้าด้วยนะหันหน้าทางทิศตะวันออกตรงนี้เวลาสร้างพระพุทธรูปโดยมากกละนิยมจะหันหันพระพักไปทางหน้าทางทิศตะวันออกนี่เหมือนกัน ในถ้ำกลางมนดบวางพัดทําด้วยงาช้างไว้บนธรร ม, มาตถ์แล้วก็รับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุสงฆ์ว่ากิจของโยมเสร็จแล้วคือพอทาเสร็จแล้วก็ไปไปนีมนถามบอกพระบอกกิจของโยมเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วคือพระเจ้าชาติทูให้ช่างที่ชํานาญในพระราชวังเนี่ยมาตกแต่งมาทําให้วิจิตพิสดารให้เกิดความงดงามงั่นก็แลในวันนั้นน่ะนะภิกษุบางพวกได้พูดพลาดพิงถึงท่านพระอนนท์อย่างนี้ว่า มีการพูดพาดพิงพาดพิงว่าในหมู่ภิกษุมีภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวชวยกลิ่นคราวอยู่คือในบรรดาผ้าหันเวลาพระนอนุนไปที่ไหนอะพระก็จะพูดคําเนี้เอะในหมู่ภิกษุห้าร้อยรูปมีอยู่รูปหนึ่งเนี่ ย, เ, ยเดินไปไหนไปไหนก็โชยกลิ่นคราวคือกลิ่นเหม็นเนี่ยใช่ไหมกลิ่นคราวกลิ่นเหม็นโอ้โหพอพูดอย่างนี้พระนอนุนร้อนไปทั้งตัวนี่นี่ท่านพระนอนุนเดระ คขาว่ากลิ่นคราวในที่นั้นนะ่ะในสำนวนของพระาราหันท่านไม่ใช่หมายถึงกลิ่นตัวของเราแต่ท่านหมายถึงกลิ่นของกิเลสเพราะว่าท่านพระนร น, นเนี่ยราคะโทสะโมหายังละไม่หมดเพราะพระนร น, นเนี่ยละได้ราคะโทสะโมหะที่เป็นปัจจัยให้ลงอบายภูมิเท่านั้นเองต่วนราคะโมหะที่ให้เกิดเป็นมนุษย์ราคะโมหะที่เป็นให้เกิดเป็นเทวดายังละไม่ได้หรือราคะ โมหาเป็นต้นนั่นที่เป็นปัจจัยเกิดเป็นพรหมก็ยังละไม่ได้สรุปคือสังสารวาฏของพระนนยังไม่จบกิจ ข, ของพรหมอาจารย์ยังไม่เสร็จเวลาเดินไปที่ไหนพระก็ท่าบางครั้งท่านก็แสดงอาการเหมือนปิดจมูกแล้วท่านก็พูดม่โชยกิน่นคาวก็กลับไปคิดพระนรยเถระได้ยินคํานั้นถึงกับสังเวชว่าสังเวชของท่านคือยังความสลดใ จ, จเกิดขึ้นบอกภิกษุรูปอื่นที่ชื่อว่าเที่ยวชวยกิน่นคาวไม่มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ ภิกษูเหล่านี้คงพูดหมายถึงเราเป็นแน่แท้คือท่านไม่พูดกันตรงๆท่านพูดแค่นี้คนมีปัญญาก็พูดแค่นี้เข้าใจยังยังคนในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปพูดกันน้ำนองอย่างนี้ก็หาพูดเหน็บกันนะพูดเหน็บแนมพูดอะไรนิน่ก็จะเถียงกันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกันนี่ก็ท่าก็พูดอย่างนี้พิกษูเหล่านี้คงหมายว่าภิกษุบางพวกกล่าวกับท่านพระนนท์ว่าดูก่อนนะนท์การประชมุมกลางนาจะมีในวันพรุ่งนี้ แต่ท่านยังเป็นพระเสขาอยู่ยังมีกิจที่จะต้องทํำด้วยเหตุนั้นท่านไม่ควรเข้าประชุมนะท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเอะโอ้โหนี่พูดตรงตรงเลยกลุ่มนี้พูดตรงมากบอกว่าท่านเป็นพระเสขาบุคคลอยู่เคยว่าโอ้ท่านไม่ควรเข้าไปชุมแล้วงั้นท่านจงไปเป็นผู้ไม่ประมาทนะบอกงั้นนะเตือนอย่างนั้นเลยครั้งนั้นแหลท่านพระนร น, นก็คิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันประชมุมธรรมถสมสังฆทานาการที่เราเป็นพระเสขะอยู่จะเข้าประชุมนั้นไม่สมควรแก่เราเลย แล้วก็ให้เวลาล่วงเลยไปด้วยการเจริญกายยคตาสติกสมาฐานก็คือว่าเกสาโลมานาขาทันตาตาโจมังสังนาหาลัวอัธีอัธิมินชังวากังอัยังยะกนังกิลมังกังสาทยายตลอดลาตีเลยว่างั้นเถอะคือวันวันหนึ่งไอ้ในลาตีนั้นเน่ยทั้งกลางวันกลางคืนนั้นน่ะให้เวลาผ่านไปด้วยการใช้สติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นไปกับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไล่ไปตามลําดับเ่ย คือท่านคล่องแคล่วอยู่แล้วใช่ไหมท่านตรึกท่านไข้ครวนย็นคล่องแคล่วอยู่แล้วเพียงแต่ท่านเอามาไข้ครวนท่านทําอยู่อยงั้นตลอดลาตีเป็นส่วนมากที่นี่เวลาใกล้รุ่งนั้นน่ะก็ลงจากที่จงกรมแล้วเข้าวิหารเอ็นกายลงที่จะนอนตอนนั้นจริงๆบอกว่าเท้าทั้งสองพ้นจากพื้นแล้วแต่ทิศศรษะยังไม่ทันถึงหมอนในระหว่างเนี้ยจิตของท่านก็พ้นจากอาสวะคือพ้นจากกามาสวะภวาสวะทิฐาสวะอวิชชาสวะไม่ยึดมัน่น ดยอุปาทานคือการมุปาทานทิตตุปาทานสีระพตุปาทานอัตวาทุปาทานพระราานอราา น, นนท์นี้ได้เวลาให้เวลาล่วงไปในภายนอกด้วยการจงกลมอันนี้ท่านก็เล่าให้ฟังเนะี่นี่เล่าจุดบงรู้ก่อนเมื่อไม่อาจที่จะได้คุณวิเศษให้เกิดขึ้นท่านคิดบอกว่าก่อนหน้าที่เยบรรลุท่านคิดบอกว่ า, นน า, า, วาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเราไว้ไมิใช่หรือว่าดูก่อนอนนท์เธอได้สร้างบุญไว้มากจงมันบำเพ็ญเพียรเถิด ไม่ช้าก็จักเป็นพระลรหันก่อนที่พระพุทธเจ้าจักสเสด็จดับขันเทปิณิพานเป็นต้นเน่ยบ้านบ้านนนท่ตอนตอนร้องไห้ไปแก่ไปเกาะสลักเพชรที่ประตกูก่อนที่ยังไม่ได้ไปที่กุศินาราพุทธเจ้าก็พยากรณ์บอกว่าเธอเป็นคนมีบุญมากควเพญเพียรไม่นานหรอกจักได้เป็นพระละหันขนาดตามพระพุทธเจ้าทุกแทบทุกฝีก้าวนี่นะแต่ไม่ได้บรรลุเป็นพระลรหันต่อหน้าพระพักตร์ มื่ลุเป็นพระหลันั้นตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ตรัสผิดพลาดแต่เราปลารลกคนเพียรมากเกินไปท่านคิดอย่างนี้นะเพราะอะไรไม่ได้บรรลุคงจะเป็นเพราะวิริยะเนี่ยความเพียรเนี่ยมากไปคือบอกว่าศรัทธาเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดความเพียรความเพียรเป็นปัจจัยเกิดสติสติเป็นปัจจัยเกิดสมาธิสมาธิเป็นปัจจัยเกิดปัญญาปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธา ใช่ ห, หลดักฉของอินทรีย์จะเป็นอย่างเงี้ยศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเขาจะเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ความเพียรมาเป็นประธานมากกว่าศรัทธามากกว่าสติมากกว่าสมาธิและมากกว่าปัญญาอันนี้เขาเรียกเพียรมากเพียรมากไปด้วยความที่มุ่งมั่นที่จะต้องบรรลุให้ได้บรรลุให้ได้ภายในคืนนี้มีความเพียรเลยมาเป็นประธาน เพราะความเพียรเป็นประธานท่านนึกบอกว่าที่บอกว่าจิตของเราก็ฟุ้งบอกว่าเพราะเราเพียรมากเกินไปฉะนั้นจิตของเราจึงฟุ้งสั่นถามว่าความเพียรเวลามากเกินไปเนี่ยฟุ้งไหมฟุ้งใช่ไหมแต่ถ้าสมาธิมากเป็นยังไงซึมถ้าสมาธิมากจะซึมใช่ไหมมันจะมันจะเข้าฝากฝ่ายของโกศชาคือเกียรติ้านแต่ถ้าเพียรมากเกินไปเนี่ยมันจะฟุ้งเรามาคิดดูอย่างเราทั้งหลายเนี่ย โดยมากนะ่ะระหว่างเพียนมากกับกับซึมเนี่ยอะไรมากกว่ากันเวลาเราจ ะ, จะเจริญกรรมฐานมิตรนี่ใช่ไหมโดยมากความเพียนแบบขมักขม้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่โดยมากแกซึมซึม ง, ง่วงๆวงโดยมากจะให้สมาธิไปอยู่อยู่หน้าเป็นพอท่านพิจารณาอย่างนี้เบดเสร็จท่านบอกเออไม่ใช่ก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เพียนมากไปพอท่านคิดอย่างนี้เดเสร็จแล้วเนี่ย เราจะประกอบความเพียรพอดีพอดีคิดดังนี้แล้วก็ลงจากที่จงกรมยืนในที่ล้างเท้าล้างเท้าเสร็จก็เข้าวิหารนั่งบนเตียงแล้วคิดว่าจักพักผ่อนสักหน่อยเพราะท่านคิดว่าจักพักผ่อนสักหน่อยเนี่ยตอนนั้นท่านก็เอ็นกายลงบนเตียงเท้าทั้งสองพ้นจากพื้นแต่การว่าจักพักผ่อนเนี่ยไม่ใช่เหมือนเราพักผ่อนจอผิดกับพวกเราพักผ่อนกันนะถ้าพวกเราบอกว่าพักผ่อนเนี่ยถ้าบอกว่าโหล้างเท้าเสร็จปุ๊บเราทิ้งกายตุ้มเลยใช่ไหม แต่ท่านไม่บุคคลที่ท่านปฏิบัติเนี่ยจะยกเท้าขึ้นท่านก็รู้จะเองกายลงในท่านก็กําหนดใช่ไหมการกำหนดของท่านเนี่ยที่ถามว่าเวลากําหนดเนี่ยกำหนดยังไงใช่ไหมอิริยาบทย่อยเนี่ยอิริยาบทย่อยของท่านในกรณีที่ว่าท่านพิจารณาอิริยาบถใหญ่อยู่เนี่ยนะแล้วก็พิจารณาอิริยาบถย่อ ย, นยหนึ่งจิตที่คิดจะนอนเป็นไปแล้วก็จิตตะชาวายโยธาดธาตุลมก็พาดผันทำอากับกิริยาจากที่ตรงเนี่ยให้เอง เห็นหมท่านก็รู้ว่าลมภายในนั่แหละเป็นปัจจัยให้ทํำียาบทในการที่จะนอนให้เป็นไปตอนนั้นในช่วงที่จะขาดจะเอียบทนั่งเพื่อจะไปเป็นียาบทนอนจะขาดตอนจากจากนั่งไปเป็นนอนที่แรกจากยืนมาเป็นนั่งที่เตียงไปจากนั่งที่เตียงเบีเสร็จเพื่อจะทําอียาบทนั่งให้ตัดขาดจะเอียบทนั่งเพื่อกลับไปเป็นไปสู่ียาบทนอนธาตุลมที่เป็นไปเหล่านั้นก็คือทําเท้า ให้ให้เหยียดตรงไปด้านขวางแล้วก็ยืดส่วนกายเพื่อจะให้ลงนอนในขณะที่กําลังวาโยธาตภายในทํากรรชกายของท่านนั้นให้ให้ลงมาตามลําดับเนี่ยให้ลงมาตามลําดับตอนนั้นศีรษะยังไม่ถึงหมอนยังไม่ถึงหมอนเลยเนะวาโยธาดนั้ น, นทํากรรชกายของท่านนั้ น, นบอกว่าท่านนี้บอกกึ่งนั่งกึ่งนอนเนี่ย เพื่อจะตัดขาดจากียาบทนอนเมื่อนั่งมาเป็นียาบทนอนเนี่ยได้การหนึ่งท่านรู้จิตที่คิดจะนอนวายโยธาที่พัดผ่านไปทำียาบทนอนจะทำียาบทนอนให้เป็นไปนั้นท่านก็ใคร่ควรพิจารณาอย่างนั้นไหแล้วก็หนึ่งจิตที่คิดวายโยธาียาบทที่จะนอนท่านแยกแยะเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นอะไร รัชกายอิรยาบทนั้นนะกับวาโยาธาต้นเป็นทุกขสัตว์เหกสติสัมปชัญญะที่เป็นไปก็เหมือนกันอยู่ในกลุ่มของตอนนั้นเป็นทุกขสัตว์เป็นต้นเหล่านี้พอพิจารณาอย่างนี้ใช้อะไรไปพิจารณาใช้สติสัมปชัญญะใช้ความเพียรเป็นต้นเหล่านี้ที่ผ่อนจะความเพียรมากเกินไปมาอยู่ในความเพียรที่ระดับพอดีแล้วก็จเจริญสติสัมปชัญญะ ในที่สุดจริงๆก็บอกว่าศีสะยังไม่ทันถึงหมอนในระหว่างนี้จิตของท่านก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นเนื้อบาดนเป็นพ้าลานเว้นจากอียาบทสีเว้นจากียาบทสีเพราะหนึ่งยังไม่นอนเต็มที่และจะจัดวันนั่งก็ไม่ได้เห็นไหมว่าียริยาบทย่อยเนี่ยอียาบทย่อยเนี่ยมีการคู่เหยียดก้าวไปคู่เหยียดก้มเงยเป็นต้นเหล่านี้การก้าวไปกันหน้าการถอยกับ โยกตัวมาข้างหลังเนี่ยเรียกว่าการว่าถอยกลับถ้านั่งกับที่นี่นะถ้าโยกศรีรษะไปข้างหน้านี่เรียกว่าก้าวไปข้างหน้าถ้าหากว่าโยกมาข้างหลังเนี่ยเรียกว่าถอยกลับจริงๆต้องถ้าจัดก็คือจัดอยู่ในช่วงการถอยกลับถอยกลับแต่ว่าจะไปจัดอยู่ในยาวบทนั่งไม่ได้เพราะตอนนั้นศรีรษะกําลังจะถึงหมอนได้บรรลุในขณะนั้นเห็นไหมความเร็วของกระแสจิต ท, ที่ท่านฝึกมาอย่างดีสติสัมปชัญญะท่านดีมาก นั้นแต่พูดถึงตอนนั้นก็คือว่าวิปัสสนาญาณท่านเกิดขึ้นก่อนหน้า น, นั้นแล้ววิปัสสนาญาณวิถีเนี่ยเกิดขึ้นก่อนงั้นการเห็นไตรลักษณ์ของท่านนีนเป็นปกติการแยกแยะรูปนามชัดเจนมากจิตที่คิดเป็นต้นตลอดถึงสภาวธรรมทั้งหลายที่เกิดกับจิตเป็นนามเนี่ยวายโยธาตหรือการรัชกายของท่านหรือเอียบนท่านเป็นรูปเนี่ยท่านแยกแ ย, กยะจนชัดเจนแล้วก็เห็นปัจจัยของนามรูปเหล่า น, นั้นเออ จิตที่คิดจะนอนจิตที่คิดจะนั่งจิตที่ที่จะเดินเป็นต้นเหล่านี้มีปัจจัยมากมายเหลือเกินที่อุปการลักษการยืนการเดินการนั่งการและกำลังจะนอนเห็นปัจจัยเหล่านั้นและปัจจัยเหล่านั้นไม่เที่ยงผลคืออาการนั่งอาการที่จะนอนเป็นต้นจกเที่ยงแต่ที่ไหนเป็นต้นท่านเห็นอันนี้จังเห็นความเป็นทุกข์เห็นการเบียดเบียนของจิตที่คิดวาโยธาและเอียบท แล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นต้นเหล่านี้ในที่จริงจริงวิปัสสนาญาณวิถีของท่านก็ขึ้นสู่ระดับสูงแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ถ้าพูดถึงตามลําดับไว้อะไรเกิดขึ้นนะนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริกหายานสัมมสนญาณอุทยะพญายา น, ยยายานเป็นไปตามลําดับจนไปถึงสังขารุเปกขาญาณอนุโลมายา น, น, ยานโคตะลภูโวทานเป็นต้นเหล่าเนี้นะแล้วก็มรคญาณโผลญาณเป็นต้นเกิดขึ้นสองรอบสามรอบ สามครั้งนะครั้งแรกสกาทาคามีมกักใข้ควนต่ออีกได้อนาคามีมกักใข้ควนครั้งสุดท้ายนี้อรหัตมะเกิดขึ้นใช่ไหมอรหัตมะเกิดขึ้นบรรลุปเป็นพระลรหรัน ถ, ถามว่าในพระศาสนาเนี้ยพระลรหันรูปไหนที่บรรลุเว้นจากอิเดียบที่ทั้งสี่คือไม่ยืนไม่เดินไม่นอนไม่นั่งเนี่ยได้เป็นพระลรหรนะันก็ต้องบอกกับท่านพระอา น, นุนครั้งนั้นเป็นวันที่สองจากที่ท่านพระอนุนได้บรรลุเป็นพระลรหรัน ในแรมวันแรมห้าคาภิกษุชั้นพระเถระชั้นเสร็จกันแล้วก็เก็บบาดจีวรประชุมกันในธรรมสภาพระไปประชุมกันพร้อมเพียงหมดแล้วในสมัยนั้นท่านพระนนท์ได้เป็นพระหันได้ไปสู่ที่ประชุมท่านไปอย่างไรอัตถกถ า, าท่านบอกว่าท่านพระนนท์มีความยินดีว่าบัดนี้เราเป็นผู้สมควรเข้าที่ประชุมในถ้ำกลางพระสงฆ์แล้วข่มจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งมีลักษณะเหมือนลูกตาลสุกที่หล่นจากขั่ว ลูกตาลสุกหล่นอย่าข้อยเป็นยังไงก็แปลว่าเปล่งปลั่งใช่ไหมคืองามมีลักษณะเหมือนทัพทิมที่วางไว้บนผ้ากําพลสีเหลืองก็หมายความว่าไอ้ลูกทัพทิมงามอยู่แล้วแล้วผ้าสีเหลืองมั้งผมมีลักษณะเหมือนดวงจันทเพนที่ลอยเด่นในกลางนภากาที่ปราศจากเมฆงามมากนี่ท่านท่านพระนาเราเห็นภาพนะี่แล้วก็มีลักษณะเหมือนดอกประทุมมีเกรสรและกลีบแดงกําลังแย้มด้วยดอกด้วยแสงอ่อนๆของพระอาทิตย์ ท้ายจะบอกเรื่องที่ตนบรรลุเป็นพระลรหรันด้วยปากอันประเสริฐบริสุทธิ์ผุดผ่องมีรัศมีและมีสิริได้ไปสู่ที่ประชุมสงฆ์โอ้หตอนนี้ไปยังอาหารไปแบบไม่ต้องช่วยกินแล้วครั้งนั้นท่านพระมหากระสนพอเห็นท่านพระอนนนั้นก็มีความรู้สึกว่าท่านพวเนี้พระอนนบรรลุเป็นพนระละหันแล้วงามจริงๆถ้าพระศาสดา ย, ยังดำรงพระชนอยู่พระองค์ก็จะพึงประทานสาธุ ก, การแก่พระอนนในวันนี้เป็นแน่แท้ บัดนี้เราจะให้สาธุการซึ่งพระศ า, าสดาควรประทานแก่พระนนนั้นดังนี้แล้วก็ท่านพระมหากรสเห็นพบนี้สาธุเลยสามครั้งเลสาธุสาธุสาธุคือถ้าพระพุทธเจ้าอยู่พระเจ้าพูดอยู่นะนี่พระเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยท่านพระมหากรสพูดแทนทีนี้ว่าพระมาชิ ม, มาเอะ ม, ม, มัชมัมัชมิมพาพานกาจ า, ารย์กล่าวว่พาพระนลเนี่ยประสงค์จะให้สงทราบเรื่องที่ตนมรรู้จึงไม่ได้ไปพร้อมกับภิกษุถงทั้งหลาย แล้วก็เว้นอาสนะของพระอนุนไว้บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุบางพวกว่านั่นอาสนะของใครก็ได้ต่อว่าเป็นอาสนะของท่านพระอนุนภิกษุเหล่านั้นก็ถามว่าเออพระอนุนไปไหนเสียสมัยนั้นพระอนุนคิดว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เราควรจะไปต่ออย่างนั้นเพื่อแสดงอนุภาพของตนท่านพระอนุนก็ดำดินไปเลยอันนี้ท่านมาชิมพานาจารย์บอกว่าเออตอนนั้นพระท่านพระอนุนไม่เดินไปนะ ดำดินว่าแล้วก็แสดงตนบนอาสนะมีปัญหาก็คือแล้วเ้าแสดงสาธุการตรงนี้ท่านกล่าวไว้สองนายในหนึ่งบอกไปทางอากาศในหนึ่งบอกว่าดำดินสองนายสรุปแล้วก็คือท่านไปด้วยอิทธิฤทธิ์เมื่อท่านพระนนมาอย่างนี้แล้วพระมหากสอบก็ปรึกษาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราท่านท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราจะทําสังขยาอะไรก่อนพระธรรมหรือพระวินัยภิกษุทั้งหลาย กล่าวว่าข้าแต่ท่านพระมหากสพผู้เจริญพระวินัยเป็นอายุของพุทธศาสนาเมื่อพระวินัยตั้งอยู่พระศาสนาก็เชื่อว่าดำรงอยู่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจักสังขยนาพระวินัยก่อนพระมหากสพก็บอกว่าจะจัดให้ใครเป็นผู้รับทุเลหน้าที่นี้ที่ประชุมก็บอกให้ท่านพระอุบาลีเป็นพระอุบาลีเถระเนี่ยรับเป็นทุเลาท่านถามแย้งว่าพระอนุ์ไม่สามารถหรือที่ประชุมก็แจ้งว่าไม่ใช่พระอนนุ์ไม่สามารถ ก็แต่ว่าเมื่อพระสัมมาสมุทธเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่นั้นได้สถาพนาพระอุบาลีไว้ในเอตัทัคคะเอตทัคคะพอสายการเล่าเรียนวินัยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาลีเป็นยอดเถีงภิกษุผู้สาวกผู้ทรงวินัยดังนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงต้องถามพระอุบาลีสังฆนาพระวินยัยก็คือว่าคือว่าตอนที่พุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยพระเจ้าตั้งพระอุบาลีเนี่ยไว้ในฐานะเป็นเอตัทัคคะเป็นผู้ชํานาญในพระวินัยมาก มีเรื่องราวอะไรต่างๆนี่พระอุบาลีจะเกี่ยวข้องมากนีทีนี้ต่อจากนั้นก็คือว่าท่านพระมหากระสอบก็สมมุติตนเองเป็นผู้ถามพระวินัยแม้พระอุบาลีเถระก็สมมุติตัวเองเป็นผู้ตอบพระวินัยในการสมมุตินั้นครั้งนั้นนะพันธ์พระมหากระสปะได้พระเดียงว่าพระเดียงนี่หมายความว่าประกาศให้สงทราบประกาศให้รงสาบว่าดูก่อนท่านภูเมียอายุทั้งหลายขอสงจงฟังเข้าไปเจ้าถ้าความพร้อมเพียงกันขอสงถึงที่แล้วเข้าไปเจ้าขอถามวินัยแก่พันธ์พระวาลี แม้ท่านผ้าบาลีก็ผดียงบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมทั้งพร้อมแก่สงฆ์ถึงที่แล้วข้าพเจ้าอันท่านพระมหากระสบถามวินัยแล้วจะตอบขันผ้าบาลีส ม, มุติตอนอย่างนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะหอมจีวรเฉวยียงบ่าข้างหนึ่งน้ำมศการภิกษุชั้นพระเถระแล้วนั่งบนธรรมะจับพัดงาลำดับนั้นท่านพระมหากระสปะเถระก็นั่งบนอาสนะบนเถระอาจนนะ ถามวินัยกับท่านพระบาลีว่าดูก่อนอุโศบาลีปฐมปราชิกพระผู้มีพระเจ้าบัญญัติณที่ไหนพระบาลีก็บอกบัญญัติไว้ที่เมืองสาลีเริ่มถามกันเลยทียนี้ปฐมปราชิกข้อแรกเนี่ยข้อแรกที่พระอศีลของพระภิกษุเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติไว้ณที่ไหนท่านพระบาลีก็ว่าบัญญัติไว้ที่เมืองเวสาลีเจ้าค้าท่านพระมหากรสปาก็ถามว่าทาารงปราลบใครพระบาลีก็ตอบว่าทรงปารบพระสุทินบุรนตรกัลลังตะเสฐี พระมาหาคสป่ากรถามว่าเรื่องอะไรพระบาลีก็ตอบว่าเรื่องเศรษฐมธุนธรรมครั้งนั้นท่านพระมาหาคสปาก็ถามท่านพระบาลีทั้งวัตถุทั้งนิทานถามทั้งบุคคลถามทั้งมูลบัญญัติถามทั้งอนุบัญญัติถามทั้งอาบัติถามทาาาัม้ทงอน า, นาบาัติคือสิ่งที่เป็นอาบัติสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติของปฐมประชิกท่านพระบาลีอันพระมาหาคสป่าถามแล้วก็ตอบได้อย่างกรองแรล้วเลยเนะี่ยนี่ถามไปลักษณะแบบนี้ถามว่าก็ในบาลีปฐมปราชิกในพระวินัยเนี่ยบทอะไรที่ควรตรัดออกและบทที่เพิ่มเข้ามาจะมีบ้างหรือไม่ แต่ว่าบทที่ควรตัดออกไม่มีเลยเพราะถือกันว่าบทที่ควรตัดออกในภาษิทิของพระพุทธเจ้าผู้มีบุญจะมีไม่ได้เลยด้วยว่าพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ตัดอักษรที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่โดยเดียวแต่บทที่ควรตัดออกในภาษิตคําสอนเนี่ยถ้าอันไหนเป็นพุทธพจน์นีมเขาจะไม่ตัดจากไม่ตัดเลยแม้แต่คําเดียวเพราะว่าพระเจ้าตรัดแต่ละคำนี่จะพุทธญาณเย้ยแต่ถ้าเป็นของสาวกพาษิทเทวตาภาสิทิ์ ภาษิตของเทวดาหรือของพุทธบริษัทเหล่าอื่นมีการตัดออกบ้างแต่บทความที่ตัดออกในภาษิตของภาษาวกทั้งหลายของเทวดาย่อมมีบ้างส่วนบทที่เพิ่มเข้ามาย่อมมีไม่ย่อมมีได้แม้ในพุทธภาษิตสาวกภาษิตเทวดาภาษิต ท, ทั่วไปเพราะฉะนั้นบทใดควรเพิ่มในเทศนาใดพระธรรมสังฆะเทราทั้งหลายก็ได้เพิ่มบทนั้นเข้ามาแล้ว ถามว่าบทที่เพิ่มเข้ามานั้นได้แก่บทอะไรตอบว่าบทที่เพิ่มเข้ามานั้นได้แก่บทที่มีแต่คําเชื่อมท่อนต้นและท่อนหลังเมียที่ว่าเตนะสมัยเอนะบ้างเตนะโคปนะสมัยเนะบ้างอัตจโขบ้างเอวังวุตเตบ้างเอตะทะวจ่าบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าสมัยหนึ่งเห็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับคําเหล่านี้ยคําเหล่านี้เป็นคําที่เพิ่มนะ ถ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่ไม่ใช่แล้วนั่นเป็นพุทธพจน์แล้วเข้าใจใช่ไหมคำเพิ่มอย่างเช่นว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมจบแล้วเนี่ยอบอกว่าภิกษุหนึ่งพันลูปก็ได้ถึงได้ทำได้ได้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายทั้งนี้แหละลักษณะอย่างเนี้ยเป็นคําลงท้ายอย่างนี้ยไม่ใช่พุธทธพจน์คือท่านบ้านนนเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็เสนอขึ้นต้นเขาไว้ลงท้ายเขาไว้ ก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็พระธรรมสังหะเทราทั้งหลายได้เพิ่มบทที่ควรเพิ่มเข้ามาอย่างนี้แล้วตั้งไว้ในอีทางปัถปาราชิกางเป็นต้นสิกขาบทนิเชียวปฐมปาราชิกเมื่อปฐมปาราชิกขึ้นสู่สังเกตนาแล้วพระอรหันต์ห้ารลูกก็ทำการสาธยายสวดเป็นหมู่โดยในที่ยกขึ้นสังเกตนาเตนะสมัยเนนะบูโดปะกวาเวรัญชยังเวรตีเป็นต้นเหล่านี้นะที่สวดกันในเวลาที่พระสงฆ์อรหันต์ พระอราหันต์ห้ารอองค์เหล่านั้นเริ่มสวดแผ่นดินได้เป็นเสมือนหนึ่งสายทุกการไหวถึงน้ำรองแผ่นดินโอ้ตรวนั้นเทวดาเทพยาดาอะไรทั้งหลายก็สะเทือนเลื่อนลั่นกันนึงคือตอนทำสังคยากันพระธรรมสังฆาเทราทั้งหลายยกประชิกที่เหลือสศสิกขาบทขึ้นสู่สังหาโดยในที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ตั้งอีกทั้งปาราชิกกันตังกันนี้เชื่อปาราชิกกัน ตั้งสังคาที่เศษก็เตระสาการดังเป็นต้นสิกขาบทสองก็อนิยตาก็คื อ, อนิยตส2สิกขาบท30วสิว น, นิสเคียปาจติตีสิกขาบท 92, เก้าสิบทองปาจิตีตั้งสิกขาบท4ไว้ก็คือมีปาติเทสนิยะเจ็กระแสคือว่าตั้งไว้7ประการในอธิกระนสมถะระบุก็คือสิกขาบท2 27ว่าเป็นคัมภี์มหาวิพังตั้งไว้โดยประการชนนี้แม้ในเวลาเสร็จสังกายนาคมภีรวิพังค์แผ่นดินใหญ่ก็ไหวโดยในก่อนนั้นเหมือนกัน ลักษณะนี้ก็คือว่าต่อจากนั้ น, นพระธรรมสังหาเทราทั้งหลายก็ตั้งสิกขาบทแปดในภิกษุนีวิพังไว้เ อ, อในของภิกษุณีเนี่ยของพระนี่ปราชิกมีสี่ข้อเนียส่วนของนางภิกษุณีนี่มีนี่แปดข้อของผู้หญิงหนักกว่าของผู้ชายสมัยก่อนมีภิกษุณีด้วยการนี้ชื่อว่าปาราชิกการเหมือนกันสังฆาทิเศษสิบเจดของพระมีสิบสามของภิกษุนีสิบเจ็ดแล้วก็สัตว์ตลักาการก็คือนิสเคียปจิตีสามสิบนี่เท่ากัน นิสนกสกีตั้งปาจิตีนี่1้อย้อยหกสิบหกหนักไวอีของพระนี่ปาริตีเก้าสิบสองของภิกษุณีนี่ร้อยหกสิหกปาิเทศนิยะก็แปดเสกียวะเจ็ดสิบห้าแล้วก็อธิกรอธิกา ร, กรสมถทายสิกขาบทสามร้อยสี่ภิกขุนีฟังแล้วก็ตั้งอย่างอื่นเบ็ดเสร็จด้วยก็เป็นสามสามรอยสิบเอ็ดข้อก็แผ่นดินไหวเหมือนกัน ในบายนี่แหละพระธรรมสังขาเทระยกคัมภีขันธกะมหาวัคและกัจลวัคซึ่งมีประมาณ80ดสิพาราวานแล้วคำว่าภาราวานเนี่ยบางท่านเขาแล้วก็มีคัมภีซึ่งมีประมาณยี่าพารวานเนี่ยนะคำพีบริวา น, นพาราวานหนึ่งพาราวานหนึ่งก็บอกว่าสวดแบบเขาสวดพ้าสมัยก่อนท่านสวดกันเร็วใช่ไหมสวดอย่างเร็วเลยหยุดครั้งหนึ่งก็เรื่องหนึ่งพาราวานสวดกันเร็วมากมีนิดเดียวนะจริงอะ่ะ ถ้าในในในทัศนะของท่านเนี่ยท่านสวยกันกว่าจะหายใจเฮือหนึ่ง่ท่านกันหายใจกันค่อนข้างยาวของเรานี่แค่สวยอีทิวิโสหายใจหลายรอบ <c oughs> ใช่ไหมาสวยแบบเร็วเร็วเร็ ว, เ ร, วเร็วก็นึกไม่ทันอีกเน้นสติปัญญาคนยุคนี้น่ากลวงจริงหลงลืมกันเก่งมากมียาดีอะไรดีกินกันนยะขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวก็ลืมดิ ของวางไว้นิดเดียวลืมแล้ววันก่อนหมอพระท่านเริ่มป่วยหนักในสวนนะักเข่าผมพาอย่างดีเดินมาครึ่งทางก็ถำมาก็ม า, าอาจารย์ <c oughs> จะม า, าอาจารย์อยู่เลยหรือไม่รู้เป็นไงที่เดินมาก็ามาจาับก็ได้ลงไปตงงไปไรงโรงพยาบาลแล้วเก็ฝังใจเลยจะม า, าเลยไม่รู้มาทวงอะไรบ้าแล้วก็มานั่งนึกเป็นหนี้อะไรท่านว่าอ๋อเคยเคยอยู่กับท่านเนี่ยลําบากเลยอย่างนี้ไหม ขนาดเป็นพระยังขนาดนี้เราหยิบคิดเลยมากวันดีคืนดีมันนั่งต้องระวังไว้ออกจากบ้านกลับผิดเวลาหรือเปล่าเขา่ากงั้นอาการที่จะเป็นโรคโรคเสื่อมสมองเสื่อมเนี่ยเขาถ้ากลับบ้านเริ่มกลับผิดเวลาเวันนั้นก็นั่งคุยกันบรรดาพวกหมอเขาบอกว่าถ้าถ้าอายุยังไม่ถึงห้าสิบถ้ากลับผิดเวลาต้องระวังไว้อย่างเงี้ยก็่งั้นถ้าเป็นผู้ชายแสดง่าไม่มีใหม่ พขพูดเล่นกันไปบอกเออนี่เขว่าจะได้ยุเริ่มหกสิบขึ้นไปแล้วถ้ากลับผิดเวลาเนี่เริ่มต้องต้องคิดแล้วอันนี้มันเริ่มต้นไงเริ่มกลับผิดเวลาเริ่มเอ๊ะเมื่อเช้ากินข้าวหรือยังนะอะไรเงี้ยเริ่มกินข้าวหรือยังเนี่ยมันจะเริ่มเลยนั้นถ้าถ้าเป็นโลกลักษณะนี้ก็คือมันถ้าพูดไปก็คือกรรมเนี่ยนะกรรมที่กรรมมชรูปเนี่ยนะที่ที่ที่ ที่ในที่เขาเรียกว่าถ้าเขาเอ็กซเรย์ดูเขาจะบอกว่าเป็นสมองโยฟอลลงแท้จริงก็คือกรรมมาเชรูปเน่ยที่ที่ที่อยู่ในเนื้อเยื่อของสมองเป็นต้นเหล่านี้มันหมดกําลังลงพอหมดกําลังลงส่วนของที่เกิดจากจิตยังมีอยู่เกิดจากอุตตุยังมีอยู่เกิดจากอาหารยังมีอยู่แต่ที่เกิดจากกรรมเนี่ยมันหมดกําลังลงเพราะกรรมนั้นมันหมดหมดกําลังในการให้ผลพอหมดกําลังในการให้ผลก็กลายเป็นคนหลงหรือ ถึงบอกใหเรานที่เรายังมีสติสัมปชัญญะการยังพอจําเรื่องราวต่างๆได้ศึกษาฟังพระธรรมเข้าใจเนหน้าปัจจุบันแล้ววันใดวันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นคนที่หน้ากรุณาสุดๆนั่นอ้าวไปเดินไปไหนก็ถามว่าจําชื่อตัวเองไม่ได้นะบางกลุ่มถามเราถ้าเราอยู่ในสถานะนั้นเราจะไม่สงสารตัวเองได้เนื่องจาเราไม่รู้แต่คนอื่นมองเลยใช่ไหมบอกอ๋อนี่ใครเนี่ย ว่าโอ้แต่ก่อนเขาฟังทำเรื่อยเลยทําไมเป็นอย่างนี้เขก็ยังนึ่ไหมทำไมเป็นอย่างนี้นนบุญกุศล น, น่าจะส่งแล้วก็จะไปนึกกันอย่างเงี้ยที่จริงไม่ใช่มันบุญก็ส่งแต่ปัญหาคือว่าถ้ากุศลกรรมมันรุนแรงเกินไปก็จะต้องรับรับสภาพกันอย่างนั้นชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้มันคือเราอยู่กับสิ่งที่มันไม่เที่ยงอ่ะและอยู่อยู่กับสิ่งที่มันเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่สิ่งที่บังบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตน แล้อยู่กับสิ่งเหล่าเนี้ยแม้แต่ความคิดก็ไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งที่เนื่องด้วยความเนื่องกับความคิดมันจกเที่ยงแด่ที่ไหนฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ซ้าไปแต่ว่าสติสัมปัญญะของท่านพูดอะไรที่จะแก่กล้าลึกชัดคมขนาดไหนที่จะไปตามรู้เห็นและเข้าใจต่อสิ่งนั้นได้จริงแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ย ที่จะมีสติสมามัญญาในการที่จะเข้าไปรอบรู้สิ่งนั้นได้อย่างจริงจังที่จะการตันหากันโทสะการโมหะไอตรงนี้ต่าที่ว่าจะต้องจะต้องเพียรพยายามในการทําที่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ไม่ถึงขนาดหลงลืมถ้าเราพูดกันในช่วงของการในยุค ป, ปัจจุบันนี้คนก็ลืมอะไรกันเยอะๆสติสัมปัญญาก็น้อยนิดเหลือเกินน่คือความรอบคอบของสติสัมัญญาของคนเยอคเนี้ย เองสังเกตเด็กยุคใหม่จะเห็นได้ชัดที่เขาเรียกว่าโรคสมาธิสัน้นนั่นแหละใช้ให้ไปทําอะไรก็ทําแค่เรื่องเดียวเขาไม่มีวิธีคิดว่าเออจะทําสิ่งอื่นต่อจากที่ถูกใช้ด้วยซึ่งซึ่งอย่างเนี้เราก็เห็นแล้วว่าโหเป็นยุคที่เป็นยุคที่น่าอึดอัดสําหรับคนที่สําหรับคนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนประเภทนี้เยอะๆน่าอึดอัดแท น, นนะนะ เช่นว่าเออไปช่วยไปดูตรงนั้นหน่อยที่อะไรเนี่ยเขาก็ไปทําในสิ่งเดียวจริงๆนะที่นอกอย่างนั้นแล้วเขาไม่ทําด้วยเวลาอยู่กับเด็กเนี่ยเห็นชัดเลยโอ้เด็กเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเออเป็นอย่างนี้จริงๆเวลาใช้ให้ทําสิ่งอะไรพวบเนี่ยเขาจะทําสิ่งนั้นสิ่งเมื่อเขาเดินไปมันไม่เหมือนคนโบราณนะถ้าคนโบราณเนี่ยเขาซื่อใช่ไหมย่างยกตัวอย่างเช่นเขาจะไปเก็บผักไปเห็นเต่าเขาไม่เก็บเขาไม่เอาเงี้ยเปนด้วยนะเนี่ยเขาเขาก็ซื่อสัตว์ของครับ แต่เด๋ยนนี้ไม่ใช่แล้วขาดการรอบครอบฉะนั้นความจำของคนในยุคนั้นท่านจำกันค่อนข้างได้ดีและเมื่อท่านพระยกพระธรรมสังฆาเถระทั้งหลายยกคัมพีขันธกะคือมหาวัคและจุลวัคนะซึ่งมีประมาณ80ภสิาราวานันแล้วก็คัมพีปริวานนะก็มี25บ้าปริภาราวานขึ้นสู่สังฆานาแล้วก็ตั้งปิดกนี้ว่าพระวินัยปีดก เลยตั้งชื่อโอ้นี่เป็นวินยัยยปิฎกที่รวบรวมไว้ในเวลาเสร็จสังขยาวินัยนั้นแผ่นดินก็ไว้ดังที่ได้กล่าวท่านพระบาลีก็ให้ไปสอนลูกศิษย์ของท่านในเวลาเสร็จสังขยนาในวินยัยปิฎกท่านพระบาลีเทระวางพัดลงจากธรร ม, มาตณามาสการภิกษุชั้นเทระทั้งหลายแล้วก็นั่งอาสนะของตนเขาจะมีอาสนะขึ้นไปกล่าวแล้วก็ลงมาอาสนะเดิมขั้นสังขยานาพระวินัยเสร็จแล้วท่านพระมหากระสน สงค์จะสังคายนาพระธรรมต่อนี่จริงๆท่านทํากันอยู่หลายวันนะไม่ใช่ทากันแป๊บๆเดียวเนะนี้เรามาเล่าเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้เร็วขึ้นแค่ น, นั้นึองเพราะว่าคนไปไประชมุมนมเประชุมกันตั้งห้าอยใช่ไหมจึงถามภิกษุทั้งหลายว่าเราจาักสังคายนาพระธรรมพระสุตตันตปิฎกและพิธรรมปิฎกจะจัดให้ใครรับเป็นทุลาในการสังคายนาพระธรรมภิกษุทั้งหลายก็กล่าวว่าให้ท่านพระนอนุเถละรับเป็นทุลา คั้นแล้วท่านพระมหากระสนก็พเดียงสงว่าดูก่อนท่านบุมีอายุทั้งหลายขอสงฆ์จงฟังเข้าไปจ้าถ้าความพร้อมเพรียงกันแกสงถึงที่แล้วข้าพเจ้าจะขอถามธรรมากระท่านพระนนท์ก็อบอกเออเนี่ยจะถามพระหรพมหากระสนเป็นผู้ถามท่านพระนนท์เป็นผู้ตอบพระสูตรและพระอริธรรมครั้งนั้นพระนนท์ก็พเดียงสงว่าข้าแต่สงผู้เจริญท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังเข้าไปย่าถ้าความพร้อมพลั่งของสง์ถึงที่แล้วเนี่ยข้าพเจ้าอันท่านพระมหากระสน ถามพระธรรมแล้วจะตอบครั้งนั้นท่านพระอนนก็ลุกจากอาสนะข่มจีวรเฉวยงบ่าข้างหนึ่งนมาสการภิกษุทั้งที่เป็นเถร่ก็ขึ้นนั่งบนธรรมะจับพัดงาเดี๋ยวนี้ประเพณีอันนี้ก็ามาทําสวตแจงกันเวลางานศพข้นนิมนต์พระไปสามรูปรูปหนึ่งสมมุติเป็นพระมหากระสอบรูปหนึ่งสมมุติเป็นพระบาลีรูปหนึ่งก็สมมุติเป็นพระอนนก็ถามกันพอเป็นพิธีพอเปเทศกันจริงๆไม่ได้เทศเ น, นื้อหานี้เลยหรอกไปคนละคนละเรื่องมีอยู่ครั้งหนึ่งก็นนิมนต์ นิโมนอาจารย์ไปเทศเรื่องนี้กันก็เลยถามพระที่อยู่ด้วยกันที่เป็นลูกศิษย์นี่ก็ัอ้เนี่ยไอทิศนี้ที่มานี้ด้วยถามนี่ก็ตอนเขาบวชเขาชำนาญพระวินยัยก็ไปไปก็สมมติเอาไปเทศก็ไปนั่งคุยกับโยมก็ที่นู่นหมุนโยมเทศเทศพระวินยัยเเทศไอ้สังขยาาเรื่องเทศแจงกันจริงจริะแจงพระวินยัยแจงพระสูตรแจงพระพิธามเนี่ยจะเอาแจงตามคำพีรือเขาบอกเออเขามีเวลาให้นะ ให้สามชั่วโมงกโอ้สามชั่วโมงก็ไปไปไปเทศแจงพอพอไปบรรยายก็ริงๆิงมีปัญหาหนึ่งมีปัญหาผู้ตอบอผู้ตอบไม่ชำนาญจริงๆเนี่ยมีปัญหาถามไปถามมาแล้วยนกลับไม่ให้เราถามไม่ตอบไม่ได้ลำบากคือท่านอาจจะประมาทได้เลยด้ว ย, วยถามเกิดกากๆเลยลำบากเลยตอนี้เลยหนักไม่ดี พระในสมัยปัจจุบันนี้ไปเทศแจงนี่ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าไม่ค่อยชํานาญกันนะก็ไปเทศออกนอกเรื่องนะ่ะได้อยู่ก็ไปเทศกันไปเพราะเป็นพิธีนะ่ะได้แต่จะเข้าในเรื่องในเรื่องเราลักษณะอย่างเงี้ยโอ้ถามใบพระก็จะจําคําสอนกันไม่เคยได้ท่านพระมหากรสปาก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนอุโศทั้งหลายเราทั้งหลายจากสังคขยาปิดกไหนก่อนเป็นต้นเหล่านี้นะบอกสังขยาพระสุดตันตะบิดกกรท่านพมหากสปาก็บอกว่าในสุดตันตะบิดกมี สังคีติ4ประการคือทีฆาสังคีติสังคขยนาสังคีทีฆานิกายมัชชิมาสังคีติสังคขยนามัชชิมนิกายสังยุตสังคีติก็สังคขยนาสังยุตตานิกายแล้วก็อังคุตระสังคีติสังคขยนาอังคุตตรนิกายส่วนขุตกานิกายนั้นมีวินัยรวมอยู่ด้วยจึงไม่นับในที่นี้จริงๆที่แรกเนี่ยมีสนิกายทีฆนิกายมัชชิมานิกาย สังยุตตะนิกายอังคุตตะนิกายขุทธกานิกายไม่นับรวมที่ไม่นับรวมเพราะว่าในขุทธกาตนิกายรวมอะไรวะรวมพระอภิธรรมรวมพระวินัยก็จัดเข้าในนี้ด้วยในสังคีติเหล่านั้นเราทั้งหลายจะสังคายนาสังคีติไหนก่อนพิกษุทั้งหลายก็ว่าสังคายนาทีข้าสังคีติก่อนคือทีนิกายก่อนท่านพระกล่าว่าในทีข้าสังคีติมีสูตรอยู่34สูตรมีอยู่สามวั วักแรกที่เรากำลังศึกษากันเนี่ยคือสีลขันทวักในวักเหล่านั้นเราทั้งหลายจะสังคยานาวักไหนก่อนพิกษจ ท, ทั้งหลาย ก, าสส ก, ก็สังคยานาสีละขันทวักก่อนที่วักที่กําลังศึกษากันสีลขันทวักท่านพระหกากระสปะกปถามในสีลขันทวักมีอยู่กี่สูตรถามเนี่ยบอกมีสิบสามสูตรมีกี่เรื่องเออท่านบูรเกตในในสูตรเหล่านั้นเราทั้งหลายจะสังคยานาสูตรไหนก่อนพิสูจทั้งหลายก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านบูรเจริญ ขึ้นเชื่อพรหมชาลสูตรประดับด้วยศีลสามประเภทเป็นสูตรกำจัดโทษมีการหลอกลวงและการพูดประจบประแจงซึ่งเป็นมิจฉาชีพหลายอย่างเป็นต้นเป็นสูตรที่ปลดเปลื้องข่ายขายคือทิฏฐิหกสิบทำหมื่นโลกธาตุให้หวันไหวเราทั้งหลายจงสังคยนณาพรหมชาลสูตรก่อนนี่สูตรนี้กำลังจะศึกษาท่านพระมกษตก็ถามาเออในในสสูตรเนี่ย ในศีลขันธวัชทีคณิกายศีละขันธวัชมีอยู่สิบสาสูตรเนะืในสิบสามสูตรนี้จะสูตรไหนก่อนบอกพรหมชาลสูตรอเออในพรหมชาลสูตรนี่ดียังไงบอกว่าเออประดับด้วยสีสามประเภทคือจุลศีมัชิมศีลมหาสีลแล้วก็ยังเป็นสูตรที่ปลดเปลื้องทิฏฐิด้วยเออถ้าหากว่าศึกษาสูตรนี้แล้วจะได้รู้จักทิฏฐิทั้งหกสิบสองประการเป็นอย่างดี แล้วก็จะทําหมื่นโลกธาตุให้วันไวได้ครั้งนั้นท่านพรมหากรต์ก็กล่าวคําที่ท่านพระอนนดูก่อนอวุโสอนนร์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพมชลาสูตรที่ไหนพระอนนร์ก็ตรัสว่าเนี่ยตรงนี้เข้าเรื่องที่เรากล่าวมาแล้วบอกว่าตรัสณ์ตำหนักในพระราชอุทยานอัมพฤติกาในระหว่างกรุงราชคลีและนาลันทานาลันทาไปไหมยังยอมยอมไปไปมาแล้วเนีอยู่ตรงนั้นแหละระหว่างกรุงราชคลีกับนาลันทา พระมหากระสปาถามว่าทรงปลารบใครท่านบ้านนงกับปารบสุบิยะปริพาชกกับพรหมทัตตามานบสุบิยะปริพาชกเป็นอาจารย์พรหมทัตตามานบเป็นลูกศิษย์ที่เดินตามหลังพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามตามพระรหารแล้วก็สุปิยะปริภาชคในตาหนิพระรัตนตรัยส่วนพรหมทัตตามานบก็สรรเสริญพระรัตนตรัยท่านมหากระสปาก็ถามว่าเรื่องอะไรท่านบ้านนงตอบว่าเรื่องชมและเรื่องตี อาจารย์ติลูกสิทธิชมครั้งนั้นท่านประหมหาการสปาก็ถามถึงนิทานนิทานก็เหตุคำว่านิทา น, นเนี่ยแปลว่าเหตุต้นเขาแปลว่าเหตุถามถึงบุคคลแห่งพรหมชาลาสูตรกับท่านพระอนุนท่านพระนงก็ตอบแล้วเมื่อตอบเสร็จแล้วพระหลันห้าร้อยรูปก็ทําการสาธยายแผ่นดินก็ไหวตามในดังที่ได้กล่าวใช่ไหมเวลาถามเสร็จเสร็จแล้วพระก็จะทั้งห้าร้อยรูปก็สาธยายพร้อมกันนี่ย สมัยก่อนเวลาพูดพูดไปแล้วเขาจำกันได้เนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆพูดแล้วจำเลยทุกคำพูดนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดมากทำไมสติปัญญาปั่นนั้นน่ะนะนันไม่ต้องแปลกใจที่เขาบรรลุกันปุ๊บปุ๊ บ, บ, บ, บเนี่ยนะอย่าแปลกใจเลยคนมีบุญมาเกิดกันน่ะคนมีบุญมาเกิดถ้ามีใครมานั่งสาธยายอะไรให้เราฟังเนี่ยแล้วเราบางที อ, อย่าว่าแต่ให้จำ ทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงคำแรกกับคำสุดท้ายจนะําไม่ได้ครั้งสังคยานาพรหมชารสูตรนี้แล้วต่อจากนั้นพระธรรมสังหะเทระทั้งหลายก็สังคยานาพสูตร13สามูตรทั้งหมดรวมทั้งพรหมชารสูตรตามลำดับเป็นปุจชารวิสนาโดยในทั้งตนดูก่อนอุโศนานนวักนี้ชื่อว่าศีลขันธวักพระธรรมสังค า, ารเถระทั้งหลายก็สังคยานาบาลี64ภาราวานประดับด้วยสูตร64สูตรจัดเป็นวักมีสามวักก็คือมหาวัก ต่อจากสีาาล่ละขวัปาติกวัตต่อจากมหาวรตคือในทีคณิกายเนี่ยในทีคณิกายเนี่ยมีอยู่3มวัตสามวัตก็คือมีศีาาล่ลขันธวรคแล้วก็มีมหาวัตแล้วก็มีปาติกวรัตนิกายนี้ชื่อว่าทีคณิกายแล้วก็มอบท่านพระนนทให้ไปสอนลูกศิษย์ของท่านต่อจากสังฆนากมพีทีคณิกายแล้วว่าธรรมสังหากาจารย์ทั้งหลายก็สังฆนามาช ม, ามาชิมานิกายมชิม น, นิกายมี80ภารวันนะ แล้วก็มอบกับ น, นิสิตของท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระท่านทั้งหลายจงบริหารคัมภีมัชฌิมนิกายนี้ก็คือว่าอย่างนี้บอกว่าพอพ อ, พอทําการสังขยนาทีคณิกาจบก็บอกแกพันธ์พานนทบอกท่านธ์พานนให้ไปสอนูกสิตของท่านให้เครื่อคล่คองเลยนะในด้านของทีคณิกายเนี่ยพอสอนมัชฌิมนิกาจบก็บอกแก่กลุ่มสายของท่านภาษาลีบุตรที่80ิบพลาวานเนี่ย ให้ลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรที่ท่านนิพพานไปแล้วบอกว่าจงบริหารคมภีมัชฌิมนิกายนี้ต่อจากนั้นก็สังขยานาคำพีมัชฌิมนิกายนั้นพระธรรมสังหะเทราทั้งหลายก็สังคายนาสังยุตตานิกายร0อยพาราวานแล้วก็มอบให้พระมหากระสปะไปสอนลูกศิษย์ของท่านอันนี้นะต่อจากสังขยนาคมภีสังยุตนั้นพระธรรมสังหะเทราทั้งหลายก็สังขยานาอังคุตรนิกาย120ยพารวานแล้วก็มอบให้พระนุโรธเทระ เทราสนี่ไปสอนลูกศิษย์ของท่านก็มอบกันเป็นไปรักเนะี่ยคำพีธรรมสังคณีเดาไปนะี่ยอันนี้ขึ้นพระพิธรรมคัมภีวิพังคัมภีคาถาวัตถุคำภีปุกราบัญญัติคมภีธาตุคาถาคำภีย ม, มกและคัมภีประธานท่านเรียกว่าพระอภิธรรมต่อจากนั้นก็สังขยาและอังคุตรนิกายพระธรรมสังฆาเทราทั้งหลายสังขยาบาลีพระพิธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของญาณสุ ข, ขุมมันบัณฑิตทั้งหลายสาเสริญแล้วกล่าวปีดกนี้ชื่อว่าพิธรรมปีดก พระหารห้ารลูกจงทำการมสังขยนาแผ่น ด, ดินก็ไหวตามในที่กล่าวต่อจากนั้นก็สังขยนาอภิธรรมบิดดกนั้นพระธรรมสังขหาเทระทั้งหลายในสังขยาบาลีชาดกนิเทศปฏิสัมพิธามักอภทานสุดตนิบาตขุทกกาปาถาทรมบทอุทานิติุตกกาวิมานวัตถุเปตวัตถุเทระคถาเถระกีคถาพระทีฆาพานากาจันกล่าวว่าประชุมคัมภีชื่อว่าขุทกกคันถะแล้วกล่าวว่าเออพระธรรมสังขหาเทระเนี่ย ยกสังคายนาในพิธรมิโดกเหมือนกันส่วนพระมัชชิมภาอาจารย์กล่าวว่าคุทละคันทะทั้งหมดนี้เป็นจริยาปิโดกและพุทธวงศ์นับเนื่องในพระสุตันต์ปีโดกก็ต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของพุทธพจน์ทั้งหมดน่ยพึงทราบ ว, ว่ามี1ว่าโดยรถนะมี2คือพระธรรมวินยัยมี3ก็คือปฐมพจน์มัชชิมาพสดและปัจฉิมพจน์มี3ด้วยอํานาจแห่งปิโดกคือมี5ด้วยอํานาจแห่งนิกายและมี9ด้วยอํานาจแห่งองค์ แล้วก็มีแปดหมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ด้วยอำนาจด้วยด้วยประการดังนี้ก็คือว่าพระไตรปีดกพุทธพจน์ทั้งหมดของพระพุทธเจ้านับเป็นหนึ่งก็ได้นับเป็นสองก็ได้นับเป็นสามก็ได้นับเป็นห้าก็ได้นับเป็นเก้าก็ได้นับเป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ได้นับเป็นหนึ่งนับอย่างไรโดยรถก็นับอย่างไรบอกว่าคําใดที่พระพุทธเจ้าตรัสจะรู้ตรัสจะรู้สัมมาสัมพุทธญาณนั้นยอดเยี่ยม ทรงสอนเทวดามนุษย์นาคและยักษ์เป็นต้นก็ดีทรงพิจารณาอยู่ก็ดีตลอด45ปีเนี่ยในระหว่างนี้จนตราบสเสด็จ ด, ดับขันเทวานิพาน์ด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุเนี่ยตรัสไว้ว่าคําทั้งหมดนั้นมีรสเดียวมีรสเดียวนะคำสอนของผู้เจ้าที่ตรัสแปดห0ื่นพันธรรมกันทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะสอนเทวดาสอนมนุษย์สอนนาคสอนยักษ์เป็นต้นเหล่านี้นะ45ปีที่ทรงสอนนั้นมีอยู่รสเดียวก็คือวิมุตติรสวิมุตติรสวิมุตมติรสนะ รถคือความหลุดพน้นรถคือพระนิพพานมีมีรถเดียวนั้นพุทธพจนะ์จะมีอยู่หนึ่งคือรถนะ่ยนับอย่างนี้คือวิมีวิมุตติรถถ้า น, นับสองนับอย่างไงคือธรรมและวินยัยนับอย่างไรจริงอยู่พุทธพจน์ทั้งหมดนั้นย่อมนับว่าเป็นธรรมะและวินยัยในธรรมและวินยัยนั้นวินัยยปิฎกเชื่อว่าวินยัยพุทธพจน์ที่เหลืออันนั้นเชื่อว่าพระธรรมคําสอนเนี่ยนับเป็นสองก็ได้นะคือ ทำและวินยัยเวลาเวลาเราจุดเทียนเดยมากจะจุดกี่กี่ดอกให็นไหมสองอะ่ะเนี่ยเขาเรียกบูชาทำบูชาวินยัยเดี๋ยวมากเลยคือทำวินัยเนี่ยที่จริงจุดหนึ่งยังได้เลยก็คือวิมุติรสใช่ไหมเราจะบูชาพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าทำสอนของพุทธเจ้าสองอ่นะเนี่ยทำและวินยัย พรท่านพระมหกาการากล่าว่าอยา ก, ก น, นั้นเลยเราทั้งหลายจงสังขยานาพระธรรมและวินัยและกล่าวว่าข้าพเจ้าจะถามวินัยกับพระบุรีถรมธรรมะกับท่านพระนนจึงนั้นพุทธพจน์มี2คือถามวินัยนับอย่างนี้ส่วนนับ3ก็คือพุทธพจน์มี3คือปฐมพจน์มัชิมพจน์ปัจฉิมพจน์นับอย่างไรล่ะเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นมีอยู่3ประเภทคําสอนเนี่ยนะคือปฐมพจน์มัชิมพจน์แล้วปัจฉิมพจน์เนี่ย ในปฐมพจน์ได้แก่อนเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอ น, นิพิสัง